أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي و ن, و ن, و ن أ و ذ بالله من شرول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما ي ه د ه الله فلا م د ل ل ه وما ي د ل ل ه فلا ال ه ا ي ل ا ما ب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ن น้อ ل ที่รักยิ่งครับในรอลยลูครับ ควาเดิมตอนที่แล้วเราได้พูดในส่วนของความหมายของภาพรวมนะครับของสระเ อ, อเลในจุดเด่นต่างๆ่นั่นก็คือว่าหลักๆแล้วก็คือจะมีการพูดที่ว่าไม่ได้เจาะจงในเรื่องของกรรมก็คือว่าเป็นการใช้สำนวนที่ว่าสามารถสื่อได้ในทุกๆความหมายที่เราจินตนาการเอาไว้นั่นคือที่เราได้พูดคุยกันในครั้งก่อนแล้วก็เลยพูดถึง เรื่องของการสาบานข้อมูลเบื <im> <im ้องต้นทั้งหลายวันนี้เรายังคงอยู่ในช่วงของอายาแรกนั่นก็คือตัวเลลีอีจายักชาครับขอสานต่อย้มค้ำคืนเมื่อมันได้มาปกคุมงแล้วยาบีบาะมึงกินแล้วมึงินทักกีนอวะนงลายาบีบาเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับผมถ้าเรากลุ่มครับผม ครับวันคุณสระะวาหมุตบลวารกาตุครับผมสำหรับพี่น้องที่สละมาขอมาบ์เนยนะครับเมื่อกี้อาจจะไม่ค่อยอเรียบร้อยเท่าไหร่ครับผมวันนี้ที่ว่าอยากจะชวนคุยกันต่อในส่วนของอายะแรกนะครับก็คือวันลลยดีดายักชาขอสะบานต่อยามค่ําคืนเมื่อมันได้มาปกคลุมเมื่อมันแผ่กระจายเข้ามาแล้วก็ปกคลุมในทุกสรรพสิ่งเท่าที่ะจะมีการปกคลุมเท่าที่เราจินตนาการออกประเด็นครับประเด็นที่อยากจะชวนคุยในวันนี้เราจะคุยกันในส่วนของฟิกค่อนข้างจะเยอะ หน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากจะข้ามประเด็ดนนี้เพราะถือเป็นอนึง่งในประเด็นที่สําคัญมากเมื่อพูดถึงคาว่ายามค่ําคืนครับผมว่านี้เราจะรู้กันดีว่ายามค่ําคืนสําหรับผู้ที่ศรัทธากับผู้ที่ไม่ศรัทธานั้นมันย่อมไม่เหมือนกันอันนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนต้องตระหนักนะครับผมการใช้วันเวลาของพวกเราทั้งกลางวันแล้วกลางคืนต้องมีสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นมุสลิมที่ว่าชัดเจน โดยเฉพาะยามค่ำคืนครับที่ว่ามุสลิมเหล่านั้นยิ่งมีความชัดเจนขึ้นปีกเหมือนกับที่มุร่กล่าวในกุนกรอานอิสามอิสลาอายะที่79ก้านะครับว่าวอมินะไลลิฟะตฮจัดบินาฟิเะตัลลลกอัสะอยับะตะารับุกะมักามมมห์มูดาแล้วส่วนหนึ่งในยามค่ำคืนนั้นเจา้าพวกเจ้าก็จงทุม่มในกุรอานชครับว่าเจา้จาเจ้าก็จงทุม่มฝืนและมาตัดยุธในส่วนหนึ่งของค่าคืนนั้นนฟิเลตัล พวราระบุในกุรานนะครับว่าเป็นความสมัครใจให้กับเจ้าก็คือให้เจ้าละหมาดด้วยกับสมัครใจไม่ใช่วายิบไม่ใช่ฟัดดูนั่นเองอาเซอัยยับอาสกอรับุกามะก้อมะมหดูมหมูดะในกุรานนี้ครับพวกเราบอกไว้ครับว่าละหมาดซุนนะละหมาดไปทําไมเหรอนยามค่ำคืนละหมาดตะฮัดยุตที่เรารู้ว่าตะฮัดยุตซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงบางส่วนของอักกามบทปัญญัติต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับละหมาดตะฮัดยุตกันอินชาลอ้นนะครับผม พวกเราบอกว่าหวังว่าด้วยกับการละหมาดนี้จะทําให้เจ้านั้นถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสถานะที่ถูกสารเสริญหวังว่าพวกเราจะแต่งตั้งเจ้าให้อยู่ในสถานะที่ถูกสารเสริญก็แปลว่าการละหมาดตะฮัดยุตเป็นหนึ่งในเหตุที่ทําให้เรานั้นอยู่ในสถานะที่ว่าถูกสารเสริญจากใครล่ะอย่างน้อยก็คือได้รับคำขอบคุณจากพวกเลาเราถูกสารเสริญจากมาไดมาลายกลายแล้วก็สรรพสิ่งต่างๆนี่คือ ประเด็นที่ว่าอยากจะมาชวนคุยกับพี่น้องครับว่าในยามค่ำคืนของมุสลิมเรานั้นเราต้องพยายามทําให้แตกต่างจากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมปกติยามค่ำคืนใช่ไหมครับเราก็จะใช้ไปอาจจะกินข้าวอาจจะพบปะ ก, กับครอบครัวอาจจะสนเสียให้ฮ่าหรือบางท่านก็อาจจะใช้ไปกับการพักผ่อนด้วยกับสื่อต่างๆแล้วก็อาจจะทํางานเก็บงานเอามาทําต่อแล้วถึงตอนค่ำปุ๊บกันลุยไปบางทีถึงห้าทุ่มตีเที่ยงคืนแล้วก็หลับหรือบางทีอาจจะมากกว่านั้น แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าอันนี้คือสภาพทั่วๆไปที่ว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่เป็นมุสลิมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ในที่นี้ครับในสุรอิสรัอเนที่ผู้รับบอกไว้ก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ลุกขึ้นมาเพื่อทําการละหมะาดตัดเยื่ดซึ่งจากแอกุรานครับก็ระบุชัดเจนว่าหุกลมไม่ใช่วายิบไม่ใช่วายิบหมายความว่าใครก็ตามที่ละทิ้งมันเนี่ยได้รับการให้อภัย นี่คือความหมายของควาว่ามันดูบนะครับสิ่งที่ไม่ใช่วายิบที่นักวิชาการนักวิสูลธิฟิ ก, า ก, าร ก, าการเรียกว่ามันดูบเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่ผู้ที่ทิ้งมันไปเนี่ยอาลอเยาะโทษให้แปลว่าเป็นสิ่งที่มุสลิมสมควรจะทําอย่างยิ่งยวดถ้าว่าทําได้แต่ฮัตยุดครับแต่ฮัตเจด้ก็แปลว่าการฝืนตื่นขึ้นมาการฝืนตื่นขึ้นมาก็แปลว่าความหมายก็คือว่าเรานอนหลับไปก่อนอาจจะสัก เงีนึงอาจจะชั่วโมงสองชั่วโมงหรือเท่าไหรก็ตามแต่แล้วเราลุกขึ้นมาโดยมีเป้าหมายว่าเพื่อมาทําการละหมาดให้พวกเราล้อพอใจเรารายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวจะค่อยๆคุยกันในชาลทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนในที่นี้ครับนักวิชาการนะครับอย่างเชฟบินบาสโซนิโมลล์นะครับท่านมองว่าในเรื่องของการละหมาดยามค่ําคืนเนี่ยเป็นสุนนะโมอัคกดลนะนั่นก็คือว่าเป็นสิ่งที่มุสลิมไม่สมควรจะทิ้งอย่างยิ่งยวดละหมาดยามค่ําคืน บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกิยามุเลนกับตาฮัดยุตต่างกันยังไงก็เป็นหนึ่งในคำถามที่ว่ามีพี่น้องสอบถามกันมาหลายครั้งกิยามุเลนใช้เป็นคําพูดกว้างๆครับหมายถึงว่าละหมาดที่ละหมาดยามค่าคืนซึ่งก็จะใช้เรียกละหมาดทั้งหมดที่ว่าเป็นละหมาดนาฟิล่ะก็คือเป็นละหมาดที่ว่าไม่ใช่วายิบละหมาดซุนนะต่างๆนะครับทั้งหมดเลยที่ทําตอนกลางคืนเรียกรวมกันว่าสุลาตุเลนหรือว่ากิยามุเลนการละหมาดยามค่ําคืน แต่ถ้าหากว่ามีการหลับก่อนแล้วลุกขึ้นมาละหมาดชื่อจะถูกเรียกเฉพาะว่าเป็นตาฮัดยุตซึ่งตาฮัดยุตก็คือละหมาดยามค่ำคืนนี่แหละแต่ว่ามีความยากลําบากมากกว่าเพราะมันต้องหลับคือปกติถ้าเราไม่หลับใช่ไหมครับตาฮัดยุตนี้พอจะทําง่ายหมายถึงยามไม่เลืยนพอจะทํากันได้ละหมาดอิชอาเสร็จปุ๊บอาจจะละหมาด ต, ต่อแต่การที่ว่าต้องมาหลับก่อน แล้วฝืนขึ้นมาเพื่อจะละหมาดอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของใจใจ ล, ล้วนเลยคือถ้าไม่มี إ ي م า ن ไม่มีความรักต่อล้อไม่มีความหวังไม่มีความป่าถนายากที่จะลุกมาได้เพราะด้นนี้คือความหมายของตาหัดยุดธัันแก้มเรียนกับตาทัดยุดธแยกกันได้ชัดเจนนะครับผมเรามาดูเนื้กุร้รราครับพว่งละได้พูดถึงคุณลักษณะของบ่าวที่พุ่งละรักเอาไว้ ที่โพล้อพูดถึงอะไรครับอีบาดุรห์แมนิสระอัตดาริย์ะอายะที่1 7บเถึงสิบแพล้อได้ทรงกล่าวไว้ครับว่าว่อีบาดุรห์แมนว่าอีบาดุรห์แมนและบ่าวของผู้ที่เมตตาพี่น้องที่รักยิ้งครับอย่างที่เราย้ําเตือนกันเป็นประจำนะครับว่าในอัลกุรอานนั้นโพล้ไม่ได้ใช้คําอะไรมาอย่างไร้สาระไร้เหตุผลเลยเมื่อพพล้อใช้คํามันมีความหมายมีเป้ า, เ ป, าเป้าประสองค์อยู่แน่นอน ปกติเราจะได้ยินว่าอับดุลลอะบาอของอัลลอฮ์นี่คือใช้เรียกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดใช้เรียกมุสลิมได้ทั้งหมดเลยอับดุลลอะแต่เมื่อใช้คําว่าอับดุลราะห์แมนบาวของผู้ที่เมตตาหมายถึงบาวที่คู่ควรจะได้รับความเมตตาจากผู้เมตตาเพราะใ น, นนี้เป็นสถานะที่สูงขึ้นมาอีกอับดุลราะห์แมนพวกเราเข้าใจไหมครับวัยบาดุลราะห์แมนในคุณลักษณะของอีบาดุลระห์แมนพวกเราได้บอกไว้หลายคุณลักษณะถ้ามีโอกาสเราอาจจะได้พูดคุยกัน แต่ตอนนี้ผมขอยกประเด็นที่เราจะพูดคุยกันมาเลยเพื่อที่ว่าจะไม่ได้หลุดจากหัวข้อยามค่ําคืนของเราเพรากล่าวไปครับวัาเลดีนเยบีตูในรอบบิหิมสุเ จ, จเดวากียะมาขอมาข้อันนี้ในสลาฟุร์กอร์อายัดที่หกสิบสี่สย์เดี๋ยวผมจะยกมาอีกทีนึง่งอันนี้อยู่ในสลาฟุรกรอรอายัดที่หสเพราะเรากล่าวไปครับว่าว่าเลดีในเยรีตูในรอปบิหิมสุเ จ, จเดวากียะมาแล้วบรรดาเขาคือผู้ที่ในยามค่ําคืนเนี่ย เขาได้ใช้มันเพื่อทําการกราบไหว้ต่อผู้อุบาลของเขาและทําการยืนละหมาดต่อพระผู้อภิบาลของเขาหมายความว่าถ้าเกิดเราอยากจะยกสถานะให้ให้ใกล้ชิดกับพระพุทล้อมากขึ้นให้พระพุทลออรักเรามากขึ้นอย่ามองข้ามเรื่องของการละหมาดยามค่ำคืนอย่าไปคิดเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของช่วงเดือนระมดอนเท่านั้นละหมาดยามค่าคืนนี่คือทาได้ทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะถึงอีดิดอัตหาอย่างที่ย้ํากันเป็นประจำนะครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในรอบปีการทําความดีอะไรก็ตามเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามผลบุญมหาศาลเพราะนั้นยิ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักมากๆทําในช่วง10วันนี้ยิ่งได้ผลบุญมหาศาลอินชาอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของผัวลอัลเพราะนั้นอยากให้ลอ ร, รักใช่ไหมอยากให้ลอเมตตาเรามากขึ้นใช่ไหม นี่คือคุณลักษณะของผู้ที่พวงรถจะเมตตาก็คือยามค่ําคืนส่วนหนึ่งใช้มันเพื่อละหมาดไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องคิดวิธีทำ ม, มากอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดจะเริ่มเริ่มง่ายๆเริ่มง่ายๆอาจจะแค่สองล็อกะอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นกับเป็นตทหัรยุทธ์เอาเป็นเกียรมุ่นเลน้นค่อยๆเริ่มค่อยๆทําให้ร่างกายมันเคยชินทําให้บ่อยน้อยๆแต่ยาวนานดีกว่าทําทีละ เ, เยอะๆแล้วก็ ท, ทําทีเดีแล้วไม่ได้ทําเลย ครับมาดูในสุลสาหรียับ้างครับอายัดที่สิอายัดที่สิบแปดพระองค์ละเก่าไงครับในคุณลักษณะของมุตตะกูลเมื่อกี้คุณลักษณะของบ่าวของผู้ทรงเมตตาคราวนี้คือคุณลักษณะของผู้ที่มีความตักกว่าซึ่งตักกว่าเป็นกุญแจหลักสําคัญที่ทําให้เราอยู่ภายใต้ความเมตตาของพรลอะค์ที่เราให้เราทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จในดุนยาแเราก็อาจเจอตักว่าความกลัวเกรงต่อองค์ละรักพระองค์ละแล้วก็หวังต่อพระองค์ละ มริกาหรือข่าวการุ้นขลิลัมของเลงี่ไม่เจาอุนว่าบิลอาสฮาริ่มยาสทฟรุนซึ่งส่วนน้อยเหลือเกินที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาจะใช้เพื่ออะไรครับเจาอุน ah ja ใช้ในการลุกมาทําอิบาระให้ อ, อัลลอฮ์รักถ้าเจาอุนี่คือเล็กน้อยเหลือเกินที่เขาใช้ในการนอนหลับโพลล์ะั้นพูดคุณนลักษณะของคนที่มีความตั๊กว่าครับในระยะนี้โพลล์บอกว่าจะหลับน้อย จะใช้เวลาในแกลมเข้าคืนหลับน้อยเพราะเขาใช้เวลาอีกจำนวนหนึ่งเพื่อทำอีบาดาตอพงอล้อนี่ก็เป็นคุณลักษณะครับแล้วในแกลมเมื่อยามเช้าเขาก็ขอไปโทษต่อพงศล้อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรบ้างในช่วง ย, ยามเช้าของเราแล้วดูในฮะดีษครับในเรื่องขอยหมามุสลิมครับท่านนาบีมสลลุสลิมลลลอฮฺิัมได้พูดเอาไว้ว่าอัฟดุซยอัรซียบะดารอมอนชัรลุลลอฮมุฮัรรม ว่าอัฟดาลุ a, สซาลาบะดัลฟาริดสซาลาตุเล่ในที่เคยมา穆斯ครับท่านบีมัสซัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าการถือศีลอดที่ดีที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนนั่นคือการถือศีลอดในเดือน ม, มุฮัรรอมการถือศีลอดที่ดีที่สุดนะครับหลังจากเดือนรอมฎอนก็คือถือศีลอดในเดือน ม, มุฮัรรอมที่ว่ามีวันอัชรอ่นั่ะครับผมวาอัฟดาลุสซาลาบะด เซลาตุเ ล, ล่แล้วการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากละหมาดฟาัดดูคือถ้าไม่นับละหมาดฟาัดดูเพราะไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะประเสริฐแล้วดีงามยิ่งไปกว่าวายิบที่โพลล็์ ก, กําหนดว่ามันจําเป็นแต่ท่านอบีบอกว่าถ้าไม่นับละหมาดฟาัดดูสิ่งที่ประเสริฐรองลงมาจากละหมาดฟาัดดูก็คือการละหมาดในยามค่ําคืน ละหมาดสุนทรมีความประเสริฐหลากหลายครับอย่างที่พวกเราทราบอย่างละหมาดระวาติบที่ว่าอยู่ก่อนหน้าหลังละหมาดฟาัดดูถ้าใครก็ตามทําได้วันหนึ่ง1 0บถึงสิบสองรักกะโพลล็อตจะสร้างพระราชวังเพิ่มให้เขาหนึ่งหลังในสวรรค์อันนั้นคือความประเสริฐแต่ท่านวิญญาณศาสนาบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของละหมาดเฉยๆตัวละหมาดอย่างเดียวเลยสุนทรที่ดีที่สุดในรอบวันนั้นคือสุนทรที่ละหมาดในย้ำค่ําคืน และสำหรับมุสลิมเราครับโดยเฉพาะเราในช่วงนี้ที่ว่ามีความเดือดร้อนนะครับมีความยากลำบากกันในหลายๆเรื่องทั้งในเรื่องของโควิดทั้งในเรื่องของอะไรก็ตามที่ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของบททดสอบที่ว่ามากมายพี่น้องแต่ละท่านก็มีเรื่องที่ว่าทุกที่เป็นกังวลเรื่องเครียดเรื่องที่ว่าไม่พอใจเรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องที่เสียใจแต่ละเรื่องที่เราเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่เราได้ปรับทุก ปรึกษาขอความช่วยเหลือกับพระผู้วิญญาณของเราคือคุยกับคนบางทีอาจจะรู้สึกสบายใจแต่ดีกว่านั้นก็คือการที่เราได้พูดคุยปรึกษาขอความช่วยเหลือจากพระผู้เอ็นเจ้าช่วยเราได้แน่นอนแล้วเวลาที่การช่วยเหลือของพระผู้เล็นจจะมาถึงเราได้อย่างง่ายดายที่สุดโอกาสตอบรับสูงที่สุดอยู่ในช่วงยามค่ำคืนในยามหนึ่งส่วนสของกลางคืน หนส่วนสสุดท้ายของยามค่าคืนก็คือถ้าเกิดเราแบ่งเวลายามค่ําคืนนะครับเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่8ชั่วโมง9ชั่วโมงนับแต่หลังอิชานะครับผมนับไปเรื่อยๆนะครับบางท่านนับแต่หลังมักกิปก็ว่ารอวะนะคับแต่สรุปก็คือว่า3ชั่วโมงก่อนละหมาดฟรัชรีนะครับถ้าละละหมาดฟรัชรีถ้าเกิดตีว่าคนนํานวณคร่าวๆว่าตีหก็ตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ดูอารจะถูกตอบรับ เหมือนกับในฮะิสที่ว่าในสายรายงานที่ว่าเราจะพบเจอมากมายหนึ่งนั่นก็คือดังที่ อ, อิหมัมอา ห, อาหอมัดอิหมามนาซัยอิหมัมติรมิซีอิบนุมะชาแล้ก็อีกหลายลายท่านนะครับซึ่งเช็คอัลเบนีระบุว่าเป็นฮะิสที่ซาฮีก็คือที่ท่านละเบี๊ยวะสลลอยซามได้พูดไว้หนึ่งในฮะลิสนั้นก็คือพระวิบาลของเรานั้นจะลงมาที่ฟากฟ้าดุนยาในช่วงหนึ่งใน3มคืนสุดท้ายแล้วพระองค์ก็จะบอกว่าใครที่ขอต่อค่าค่าจะรับคาขอของเขาไม่จะ د ع و ั ي ف ใครก็ตามที่ขอต่อค่าค่ข้าจะตอบรับสิ่งที่เขาขอวอมันเยสอาริลีฟะอติฮีใครอยากจะได้อะไรข้าก็ใชในสิ่งที่เขาอยากได้วอมันมันสตฟรนีฟกฟรุละหูใครก็ตามขอให้ข้ายกโทษให้ข้าก็จะโทษให้ ก, ก, ใหกับเขาอันนี้ในสายรายงานมีมากมายนะครับในบรรดใครมาบุคคลยิมามาอมุสลิมก็มีเช่นเดียวกันก็หมายความว่ายามค่าคืนของมุสลิมเนี่ย เป็นช่วงเวลาพิเศษนะนอกเหนือจากที่ว่าหลักๆแล้วใช้สำหรับพักผ่อนถูกไหมครับใช้สำหรับพักผ่อนแต่ในขณะเดียวกันมีสิ่งดีงามอีกมากมายที่รอเราอยู่ในยามค่ำคืนเหมือนกับในยามค่ำคืนตอนไนอยู่ตอนกลางคืนความดีงามมากมายครับทั้งในเรื่องของการละหมาดผู้ใดไม่สามารถละหมาดได้ก็ล้ำลึกถึงอัลลอฮฺขอดัอฮ ห, หรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ผมย้ําเป็นประจำก็คือว่าสําหรับท่านที่อยากได้ผ ล, ลบุญพิเศษบนักพิเศษถ้าหากเราจะตั้งนาฬิกาปลุก เพื่อที่จะลุกมาละหมาดฟัชเชรี่พยายามตั้งก่อนเวลาสักอย่างน้อยสัก15นาทีอยากขี้เกยียจบางคนบอกว่าตั้ง15นาทีหลับได้อีกตั้ง15นาทีมองได้2มุมมองมุมมองแรกนองว่าหลับได้อีกสินาทีมุมมองที่2เราสามารถคว้าช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะขอจากพิจารณาของเราดีกว่าไหมครับก่อนละหมาดฟัชเชรี่เนี่ยลุกมาแปรงฟันทําให้ร่างกายตื่นทําน้ะหมาดดีๆแล้วก็มาละหมาด ตาฮัตยุตก่อนมันคือตาฮัตยุตในเพราเราหลับแล้วเราเพิ่งตื่นมันยังไม่ค่อยละมัตละมัตฟาัชชารีด้วยแปลง่ายที่สุดนะครับสําหรับท่านที่อยากละมหมัดตาฮัตยุตแล้วก็ขอดูอาในช่วงเวลาที่ดีที่สุดง่ายที่สุดที่ทําได้ง่ายเลยก็คือว่าตั้งเวลาปลุกก่อนที่จะเข้าเวลาฟาัชชารีสักสักหน่อยหนึ่งให้พอได้ลุกมาทําอะไรสักหน่อยก่อนที่จะเข้ า, เ, ขาเวลาละมาตฟาัชชรีทําจนเคยชินแล้วเิ็นชาลนะครับพี่น้องจะ รู้สึกดีที่ได้ทําผมมั่นใจผมมั่นใจครับมุสซินเราทุกคนจะรู้สึกภูมิใจไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปอวดได้ให้ใครตามไม่ไม่ต้องไปอวดอ้างให้ใครรับรู้แต่เราจะภูมิใจถ้าเกิดเราสู้เราทําได้แล้วมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับพวกเลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเคล็ดลับที่ว่าฝากไว้นะครับผมคิดว่าไม่ยากเกินสําหรับทุกท่านที่จะทําำสําหรับท่านที่ได้ลุกมาละหมาดฟัชเชรี่นะครับผมอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆเพราะว่าบางท่านละหมาดฟัชเชรี่บางทีก็ ไปเรียบร้อยแล้วบางทีก็ไปที่ทํางานบางทีก็หลังรวมละหมาดติวีอย่ น, นั้นก็ขอดูอาจากพวกเราให้เปิดใจเราให้เรามีความสามารถให้รักษาฟัดดูให้อยู่ในเวลาได้ครับพี่น้องที่รักละหมาดฟัดดูยังไงก็ต้องรักษาให้ได้นะสำหรับนุสลิมนะครับสำคัญมากละหมาดแบบคนละหมาดจริงๆริงไนะไม่ใช่ละหมาดแบบว่าสังกตายหรือว่าเบื่อให้มันจบไปไว้ทีนี้ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับความประเสริฐของการละหมาดต่ฮัตยุต ถึงขั้นว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลามคือสําลับท่านนบีนะครับผมการละหมาดยามค่ําคืนสําหรับท่านถือว่าเป็นวายิบท่านถือว่าเป็นเป็นบายิบเลยเพราะว่าเป็นคําสั่งจากพวกอลอที่สั่งใช้ท่านในช่วงแรกของการเผยแผ่ศาสลามท่านก็เลยละหมาดไม่เคยขาดแต่วันไหนก็ตามที่ท่านไม่สบายแหละจะเป็นยังไงเล่มที่อของที่หนไอาชาครับที่นอนึ่งไอชาได้กล่าวไว้ครับว่าเมื่อ ท่านนบีมีเหตุให้ว่าเผลอหลับไปก่อนแล้วหลับยาวคือท่านนบีมัสลลอยซามก็เป็นมนุษย์ปุตุชนเหมือนพวกเราเนี่ยแหละแต่ท่านเป็นมนุษย์ที่ว่าประเสริฐที่สุดในหมู่พวกเราแล้วพวกเราล้อรักท่านมากที่สุดแต่ในความที่ท่านยังคงเป็นมนุษย์อยู่ท่านก็มีคุณลักษณะมนุษย์ทั่วไปบางทีก็คือยามค่ําคืนท่านก็ไม่สบายท่านก็ไม่สามารถลุกมาละหมาดได้หรือบางทีก็หายาก แต่ก็มีที่แบบท่านหลับแล้วก็หลับยาวไปเลยลุกมาละหมาดฟาชรีอีกทีนึงเลยที่อย่างไอชาบอกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านนาบีไม่ได้ละหมาดยามค่ําคืนท่านนาบีจะมาละหมาดในช่วงเวลากลางวัน12รอกกาจะมาละหมาดในช่วงเวลากลางวัน12รอกกาเป็นเลขคู่ไม่ใช่เลขคี่เพราะว่าเลยเวลามาแล้วก็เลยไม่ได้ละหมาตอันนี้คือในสายรายงานของที่อย่างไอชอยู่ในบริษัทขยาบุคลีและมัมมุสลิม เ ด, เดี๋ยวเราจะคพูดคุยต่อไปครับแล้วเราจะพบว่าแม้แต่ละหมาดวิเตอรก็มีสุนนะให้มีการใช้สําหรับผู้ที่ไม่ได้ละหมาดกันเพียงแต่ว่าในเรื่องของสุนนะแตะ่ฮัตยุตเนี่ยสำหรับท่านอบีท่านใช้เพราะถือว่าท่านต้องทําเป็นประจําแต่สำหรับมุสลิมวะลอฮ์ข้าร่อาลัมมีเวลาเราค่อยคุกันทีนี้ครับละหมาดยามค่ำคืนตกลงมีกี่ร็อกอา่ะถ้าเกิดเราอยากจะละหมาดเรารู้สึกว่าเรา รักพ่อเราหรือเรามีปัญหาเราเดือดร้อนหรือเราอยากจะปรึกษาเรื่องคู่ครองเราอยากจะละหมาดฉันควรจะละหมาดยังไงหนึ่งในคำถามที่มีการถามถ่ายกันมาแล้วก็อาจจะมีประเด็นเมื่อก่อนจะมีประเด็นกันเยอะหน่อยว่าตกลงละหมาดยามค่ําคืนกี่รอก้ากันแน่เพราะในสายราย ง, งานของสิ่งไอช้ ha, ก็คือจะพบว่าท่านอบีุละหมาดยามค่าคืนจะไม่เกิน11หรือ13บสามรอก้าไม่เกิน11หรือ13บสามรอก้า จากฮะดีสบทนี้ครับที่บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ท่านนบีมศลลของอัสสลามทำเนี่ยนักวิชาการได้ทําความเข้าใจฮะดีสบทนี้แล้วก็มีความเห็นต่างกันเป็นสองทัศนะจากตัวบทนะครับยืนหยัดบนตัวบททั้งสองฝ่ายแต่ว่าเมื่อมองปุ๊บท่านมองเห็นต่างกันเพราะสํานวนที่ว่าท่านนบีมศลลของอัสสลามไม่เคยละหมาดเกิน11บเหรือสิเนี่ยในรายงานของที่ไ อ, าอาชาเนี่ย ทำความเข้าใจได้2 อ, อย่างเมื่อไม่เกินแปลว่าห้ามเกินหรือเปล่าคือแปลว่าใครละหมาดเกินสิบสาร akaan นี่ฮารอมเลยไหมหรือไม่เกินนี่คือเฉพาะหมายความว่าเพราะท่านอบีุละหมาดอย่างเน้นคุณภาพอย่างที่พวกเราทราบกันก็คือยินจะท้าบวมแล้วจานวนร a ก a a n ที่ท่านอิหา์นับเนี่ยไม่เกิน11หรือ13ซึ่งการไม่เกินในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นวายิปอันนี้คือ ท, ทัศนคติสองมองไว้มันไม่ใช่วายิปว่าห้ามเกินเพียงแต่ว่าที่ท่านอบีทํลาห์ไม่เกิน บางท่านา จ, จะบอกอ่าท่านาบีทำถ้าเราทำเกินถือว่าเกินนบีหรือเปล่าคําตอบในกรณีนี้มันไม่ใช่คําว่าเกินนบีเพราะว่าสิ่งที่ท่านนบีมุสลิมลองฮะเลสลัมทําเป็นแบบอย่างนะครับมีทั้งส่วนที่เป็นวาญิบถูกไหมครับที่ว่าจําเป็นต้องทํากับมีทั้งส่วนที่ว่าเป็นมุสฮับก็คือสมควรให้กระทํารักที่จะให้กระทำเพราะฉะนั้นการที่มีฮะดีซี่จากที่นายไอชา บ, บอกว่าท่านนบีไม่เคยเกินเนี่ยสำนวนอย่างนี้ ถ้าหากว่ามันไม่เกินห้ามเกินจริงๆต้องมีสํานวนที่ชัดเจนกว่านี้เพราะว่าท่านอบีไม่เคยทิ้งต้องมีสํานวนแม้แต่จะเป็นฮลิสเลียฟก็ตามต้องมีสักบทที่บอกว่าห้ามละหมาดเกิน1 1บเหรือสิซึ่งไม่มีเลยมีแต่ที่ว่าพฤติกรรมที่ว่าไม่เกินซึ่งมันก็แปลว่ามุสตาฮะเป็นที่รักซึ่งเป็นที่รักในที่นี้หมายความว่ายังไงครับไม่ใช่แค่จํานวนตัวเลขนะคือถ้าเกิดอยากจะทําให้เหมือนท่านอับดุลเบียร์วสรรรอสลลอร์สลอมให้มากที่สุด ไม่ใช่แค่บอกว่าฉันได้11ฉันได้13ฉันตามสุนนะไม่ใช่ครับยังไม่ใช่แค่นั้นจะตามสุนนะจริงๆต้องเอาคุณภาพด้วยต้องเอาคุณภาพด้วยก็คือละหมาดแบบผ่านไปสักเดือนสอเดือนถ้าพี่น้องเท้าบวมเพราะการละหมาดนั่นแหละพี่น้องตามสุนนะจริงๆและ้ะซึ่งก็คงยากที่จะมีใครทําได้เน้นประเด็นครับในเรื่องของละหมาดตกลงกี่รา ก, การครับ ทีนักวิชาการกลุ่มที่มองว่าไม่ได้จํากัดที่จำนวน1 1บเหรือสิรักะท่านมองว่าไงครับเนรุขัยหม่บุคลยิมุสลิมุตะฟะคุณอะไรที่ท่านอบดุลบซิซัมได้พูดไว้จากท่านอิบนุ อ, มรรอลลนุมัร์รดิยอลลอหูอันฮุมานะครับท่านอบีพูดว่าละหมาดยามค่ําคืนนั้นให้ละหมาดทีละ2ทีละ2ถ้าพวกท่านกลัวว่าจะเข้าเวลาเช้าแล้วก็ให้ละหมาดหนึ่งรักะเพื่อให้มันเป็นวตเต็เพื่อให้ละหมาดที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นกลายเป็นเลขขี้ พรบขจีเริมหมายย้ำคำคืนทีละสทีละสทีละสก็แปลว่าในริสบทนี้ไม่ได้จํากัดจํานวนไว้ถ้าวายิบว่าห้ามเกินเท่าไหร่อย่างน้อยที่สุดในริสบทนี้ต้องระบุถูกไหมครับต้องบอกว่าละหมาดย้ํำคำคำคืนทีละ2ทีละสแต่ห้ามเกิน11นะหรือแต่ห้ามเกิน13นะแต่ทา่านอับดุลสลามพูดไว้เปิดกว้างซึ่งท่านอบีได้ฉายาว่าชวามุสลิมพูดคําน้อยแล้วก็สื่อชัดเจน ก็แปลว่าท่านอบีเปิดโอกาสกว้างเลยว่าเอาเท่าที่ท่นพวกท่านมีความสามารถเลยแต่ขอให้ทีละ2ทีละ2ก็แปลว่าต่อให้ไม่ถึง11บเอกดกะต่อให้ละหมาดแค่2รงรักะใช้ได้ไม่ใช้ได้เพราะถ้าทัศน์ที่มองว่าวายิบต้อง11หรือ13ก็คือห้ามน้อยเกินด้วยนะเพราะถ้าน้อยกว่าก็คือไม่ใช่สุ น, นาแล้วนะถ้าตามทัศนะที่บอกวายิบิบเอกับ13เพราะบอกท่านอบีไม่เคยทําเกิน11หรือ13ก็แปลว่าตัวเลขอยู่แค่2เลขนี้เท่านั้น เพาะน้นถ้าเกิดใครบอกว่าน้อยกว่านี้ได้ก็ต้องให้คําตอบเช่นเดียวกันว่ามันก็ต้องมากกว่านี้ได้เช่นเดียวกันวอลลอหุตาลาอาลามยังสรุปครับในสำนวนนี้ก็คือทนายบีเปิดกว้างยามค่ําคืนทีละ2ทีละ2อหลังจากนั้นก็ให้ทําการบิเตอมาประเด็นสาคัญของพวกเราครับมาถึงเรื่องของการละหมาดวิเตอครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับด้วยความรักแล้วก็เคารพในตัวพี่น้องทุกท่านนะครับผม ถ้าหากว่าเรายังเป็นมือสมัครเล่นในเรื่องการละหมาดยามข้าคืนผมขอใช้ศัพท์อย่างนี้แล้วกันก็คือยังไม่เคยได้ละหมาดมาก่อนนะครับผมถ้ากลัวว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะครับทำได้ทำไม่ได้มันจะขี้เกียจมันจะไหวมันจะมันจะทำได้ยาวต่อเนื่องไหมอย่างน้อยที่สุดขอให้พี่น้องรักษาละหมาดวีเตสให้ได้อย่างน้อยที่สุดขอให้รักษาละหมาดวีเตสให้ได้ ถ้าพี่น้องจะไม่ได้ละหมาดยามค่ำคืนจะไม่ได้ละหมาดสองไม่ได้ละหมาด8ไม่ได้ละหมาดสิไม่ได้ละหมาดเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าพี่น้องยังไม่พร้อมไปถึงตรงจุดนั้นอย่างน้อยที่สุดละหมาดวีเตสอย่าทิ้งเด็ดขาดซึ่งละหมาดวีเตสนะครับตามทัศนะของอิห ม, ม่ามอบดุลฮานิฟามัสสะฮานาฟีมองว่าเป็นวาญิบเลยก็คือใครไม่ทำเนี่ยสมควรจะได้รับถูกลงโทษด้วยกับตัวบทที่ว่าท่านอับดุลสลามไม่เคยทิ้งเลยไม่ว่าจะอยู่ กับที่หรืออยู่ช่วงเะแล้วแล้วระหว่างการเดินทางก็คือละหมาดอัลวิทแล้วก็มีสายแรงงานอีกมากมายในขณะที่จุมฮุดครับนักวิชาการส่วนใหญ่ซึ่งผมก็ตามทัศนะของจุมฮุดมองว่าละหมาดวิเตสนั้นไม่ใช่วายิบคือผู้ที่ละทิ้งมันเนี่ยอัลลอ์ยกโทษให้พวกอัลละ์ยกโทษให้แต่ว่าเป็นซุนนะมัอกกาดะคือไม่สมควรเด็ดขาดที่มุสลิมจะทิ้งนอกจากจะมีเหตุจาเป็นจริงๆ ประเด็นที่ผมจะส่งเสริมก็คืออย่างน้อยครับพี่น้องที่รักละหมาดวิเตสอย่าให้ขาดคืออย่างน้อยที่สุดถ้าเราว่าเราไม่ไหวเริ่มต้นไม่ไหวอย่างน้อยถ้าพี่น้องละหมาดอีชาใช่ไหมละหมาดอีชาเสร็จปุ๊บละหมาดวิเตสปิดประเล็ก็ได้ขอให้ได้ละหมาดคือประเด็นก็คือขอให้ในละหมาดเริ่มฝึกเอาง่ายๆก่อนแต่ถ้าเกิดพี่น้องท่าไหร่อาจทำโดยแลฝึกตัวเองได้มั่นใจไว้ตัวเองทําได้ฉันจะลุกมาตะฮัดยุตอัลทำโดยนินละได้ละหมาดซุนนะตะฮัดยุดไปด้วยแล้วค่อยวิเตส ท, ทีหลังังอนนี้ งดงามเหนือกว่างดงามทั้งหลายแต่ถ้าเกิดท่านใดว่าฉันละหมาดสุนนะได้แต่หลับแล้วไม่ได้นะมันไม่ตื่นก็ะละหมาดสุนนะไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ปุ๊บเท่านั้นดูท่าจะไม่ไหวก็ปิดอีกหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งอันนี้คือละหมาดวิเตสที่ว่าอยากจะให้พี่น้องทุกท่านรักษามันให้ได้บางท่านอ่ะ จ, จะบอกว่าทําไมฉันต้องรักษาด้วยละ่ะทําไมฉันต้องให้ความสําคัญกับละหมาดวิเตสด้วยนอกเหนือจากละหม า, าฟดฟอรดูที่อยาก ที่พี่น้องทุกท่านต้องให้ความสมคัญอยู่แล้วนะสารรายงานหลายบทครับที่บ่งชื้อว่าบ่งชี้ให้เราทราบว่ามันคือความประเสริฐเหนือความประเสริฐที่อยู่ในกลุ่มของสุนัขทั้งหลายเหมือนกับพอดีใช่ไหมครับที่เคยยกไปไว้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้บ่าวคนหนึ่งใกล้ชิดกับพระอรรถมากที่สุดคือการทำวายิบแล้วสิ่งที่ทาให้บ่าวคนนี้ เป็นที่รักของพวกอเล็กก็คือเขารักษาในเรื่องของสุนนะต่างๆในเรื่องของมุสซับต่างๆเรามาดูในบันทึกของ อ, อิบนะ อ, อิบุมาชากับเชคอิมา ม, มติรมีดีนััยอบุูดาวุแลก็อหลัมดนะครับพูดง่ายเราว่าเราความแท้นะครับผมรายงานจากานักรายงานหะดีษทั้ง5ท่านที่ว่าไม่ใช่อิหมาบุคลมั ม, มุสลิมนะครับซึ่งอิบนคุซัยมบอกว่าเป็นฮะดีษที่สองนี่ยท่านอับีมัิสับอกไว้ครับเอาที่รู้ยาอัลฮัลกราน ชาวคัมภีร์อัลกุรอานเอ๋ยจงละหมาดวิเทสเอาทีลู้จงละหมาดวิเทสฮะลิสบนี้มัทธ่วจงละมหมาด ว, วิเทสไม่ใช่ว่ให้ทำอะไรเป็นเลขขี้ความประเสริฐของการทําเป็นเลขขี่มีตัวบทอีกบทหนึ่งฮะลิสบทนี้ครับท่านนบีบอกว่าผู้ที่คุกคีกับอัลกุรอานผู้ที่ศรัทธาต่ออัลกุรอานผู้ที่เชื่อมั่นต่ออัลกุรอานก็คือพวกเราทุกคนถูกไหมครับ ซึ่งนักวิชาการบางส่วนมองว่าฮะดิษบทนี้สำหรับมุสลิมทุกคนเน้นให้กับอาจารย์ผู้รู้ฮาฟิซหรือว่าผู้ใดก็ตามที่ว่าทุ่มเทให้กับอัลกุรอานยิ่งสำคัญสำหรับเขาจงละหมาดวิเตรฝ่อินลอฮะวิตรุน uh อยู่ให้ปุลวิตรรอเพราะแน่นอนพวกอัล์ละนั้นทรงมีหนึ่งเดียวทรงเป็นหนึ่งเดียวมีพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือทรงเป็นเลขขี แล้วพวกอะล็อกก็รักเลขขี้แปลว่าเราอยากให้พวกอะล็อกรักเราใช่ไหมให้ละหมาดวีเตสให้มันเกิดเป็นเลขขีสซึ่งท่านอับดุลเลาะห์มัสลิสันบอกว่ามักรบเนี่ยเป็นวีเตสที่วางมาปิดในยามกลางวันแล้วก็วีเตสที่เราละหมาดในยามค่ำคืนก็มาปิดในยามค่ำคืนก็นแปลว่าเราปิดทั้งยามกลางวันแล้วก็กยามกลางคืนด้วยกับเลขขี้ด้วยกับเลขขี้ อันนี้ขอทบทวนจำนวนละหมาดให้กับพี่น้องนิดนึงก่อนที่เราจะคุยต่อนะครับผมพี่น้องที่รักครับสําหรับ ม, มุสลิมเรานะครับผมวันนึงเราละหมาดวันละกี่เวลาครับถ้าคําตอบที่ว่าอยู่ในหัวอัต โ, ตโนมัติก็คือ17รเจกดรากใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้สําหรับพี่น้องที่ว่ามีโอกาสได้มาพูดคุยกันในวันนี้มาแชร์ความคิดเห็นกันขอให้เราเปลี่ยนเลข17เป็นเลข20สําหรับเราตั้งแต่นี้เชา้าแล้วเราพยายาม ตั้งเป้าไว้เลยว่าอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งต้องละหมาดให้ได้20่อบกะถ้าเราทําได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงในกรณีที่ละหมาดได้นะครับถ้ามีรอบเดือนมีอะไรละหมาดไม่ได้ก็อีกเรื่องทำไมถึงเป็น20ล่ะครับ17นี่คือฟัดดูฟัดดูคือ17ใช่ไหมครับฟัดจี 2, ดีสฮรีสอัสลีสมัคกะิบสอิชาอีก4ก็รวมเป็น17 อีก2คืออะไรครับวีเตสอีก1วีเทสอีก1 ก, ก็เป็น18แล้วก็ซุนเนสสองรกักกากนละหมาดฟชเรีซุนเนสสองรกักกากรละหมาดฟชเรีก็จะครบ20แค่นี้ครับเราก็จะได้เกินจากสแตนดาร์ดหรือเกินจากมินิมัมในการเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักมินิมัมก็คือว่าขั้นต่ําสุดที่จะเป็นบ่าวที่ผู้อัลลอฮ์รักก็คือผู้ที่สามารถรักษาวาญิบทั้งยะ ทั้งหลายของผู้ล้ออย่างครบถ้วนทำสิ่งที่เป็นววยิบอย่างครบถ้วนแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นฮารอบเลยอันนี้ก็คือเป็นมินิมัมเป็นสแตนดาร์ดแต่ถ้าเราอยากให้พู้ล้อรักเรามากขึ้นพี่น้องไม่ต้องทำอะไรให้มันยากครับเดี๋ยวสิ่งดีๆอื่นมันจะมาเองถ้าเรารักษาละหมาดได้ละหมาดวันละยรอกาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนชาวล้อพยายามตั้งใจว่าจะทาแล้วก็รักษามาให้ได้ต่อเนื่อง 17ที่เป็นพระภาคกวายิบแล้วก็อีกสที่ว่าท่านนบีมศลสลับไม่เคยทิ้งเลยตลอดช่วงชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นเรารักนบีอยากอยู่กับนบีเรารักพก่ออัลลอฮ์อยากให้พวกอัลลอฮ์รักเราอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆที่ทุกท่านจะทําได้ที่ทุกท่านจะทําได้ย้ํานะครับทําเพื่อให้อัลลอฮ์รักถ้าเราเจตนาอย่างนี้นะครับต่อให้ช่วงแรกแรกละหมาดจะรู้สึกไม่ค่อยมีคุณภาพคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ แต่ถ้าเราหวังจริงเพื่อให้อัลลอ์รักอินชาลอฮ์การละหมาดที่ดีงามนั้นมันจะค่อยๆชรำ ล, ล้างร่างกายเราเหมือนกับที่ว่ากล่าวในกลมนั่นเอครับอินนัสซาละตะตันฮานิฟ e ัชไอวันมุงกัการละหมาดนั้นมันจะห้ามจากสิ่งชั่วร้ายสิ่งละโมกสิ่งไม่ดีงามสิ่งที่ไม่ดีต่างๆการละหมาดนั้นมันจะห้ามออกไปจากคนที่ว่ารักษาการละหมาดเป็นประจำ เพราะนั้นหมายความว่าผู้ใดก็ตามที่ละหมาดเป็นประจำแต่ยังคงทำสิ่งที่เป็นฮารอมอยู่เนืองนิดแล้วก็ไม่รู้สึกผิดอะไรเลยแปลว่าละหมาดของเขานั้นไรค่าขอ맙ที่ต้องพูดตรงๆเพราะพวกเราพูดชัดเจนผู้ใดก็ตามที่ละหมาดการละหมาดนั้นจะช่วยเหลือเขาแต่ในขณะเดีวยวกันท่านอับดุลเบี๊ยั ส, ยสลมก็บอกไว้ครับว่าการละหมาดของผู้ที่ว่า ร่างกายไม่นิ่งอันนี้คือผมแปลเลยนะครับจากซุนซุนบุนในฮะดิษที่ใช้การละหมาดของคนที่ว่าไม่นิ่งนั้นโพลล์ไม่รับเลยตัวบทอีกแลายบทนี้พูดถึงขั้นว่าสาบแช่งดีสังตอนนี้ประเด็นที่เราเพิ่มมาตอนนี้ที่เราคุยกันคืออะไรครับพี่น้องเวลาเราละหมาดเนี่ยถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าเราได้มาตรฐานคะแนนแค่ไหนเพราะทนายเบียร์แซมพูดไว้นะครับในความหมายที่ว่าบางคนละหมาดเขาได้ ห้า บ, บางคนได้3ามส่วนสบิบางคนสองส่วนสบิบางคน1นึส่วนสิไม่ถึงครึ่งคือสอบตกแต่ท่านวิวสันบอกว่าบางคนละหมาดเนี่ยแต่พรวรรลไม่รับของเขาถ้าเราอยากจะรู้ว่าพรวรรลรับละหมาดของเราไหมมีวิธีตรวจสอบง่ายๆประการแรกประการแรกนะครับให้เราดูว่าแต่ละอีริยาบถของเรามันสงบไหมมีความสงบไหม หรือว่าเราเปลี่ยนอิทธิบาบรแบบว่ากระดูกยังไม่ทันเลียงเข้าที่อ่าครับเวลายืนบางท่านยืนปุ๊บล <ง S 1> แล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นจะลงไปนะใต้หยุดนชาวเราใต้หยุดเป็นชาวเร า, ม า, า เ, าาเามื่อกินเมือนกับว่าไงนะครับเหมือนความว่าที่สําคัญที่ผมอยากย้ำนะครับพี่น้องบางท่านผมเห็นบางท่านรักษาการละหมาดบ้างมามัสยิดไม่เคยขาดแต่พอละหมาดปุ๊บคือละหมาดแบบกระดูกยังไม่นิ่งนะครับคือลงปุ๊บเหมือนกับมันมีสปริงลุกกลัวปุ๊บก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาปุ๊บก็ลงไปสิ่งต่อเลย ถ้าตามฮะดีสนะครับที่ท่านอับดุลัลาะห์มุสลิมพูดไว้นะครับนั่นคือการละหมาดที่ผู้ละล้อไม่รับน่ากลัวนะน่ากลัวท่านใดที่ทําถ้าเราไม่รู้ครับถ้าเราไม่รู้ผู้ละล้อไม่เอาผิดแต่แต่ความไม่รู้มีสองอย่างไม่รู้เพราะไม่รู้จริงๆกับไม่รู้เพราะว่าขี้เกียจเกียจค้านหรือว่าเอาหูไปนาตาไปไล่ถ้าเป็นประเภทหลังนี้ผู้ละล้อเอาผิดนะครับประเภทแรกพว้งไม่เอาผิดนะ เพราะนั้นตัวสอบชัดๆง่ายๆครับเวลาละหมาดตัเวเราจะรับหรือไม่รับเอาให้มันนิ่งนิดนึงตักบี๊ปุ๊บก็ค่อยๆอ่านๆจบปุ๊บพอรุกัวปุ๊บเอาให้มั่นใจว่าเราทรงตัวแบบอยู่ดีแล้วมันนิ่งมันสงบแล้วใช้คําว่าสงบแล้วสงบแล้วถึงเปลี่ยนอิริยาบถไม่เช่นนั้นละหมาดเป็นโมคะนะครับ ละหมาดเป็นโมฆะ ค, คือพวกเราไม่รับนี่คือวิธีตรวจสอบละหมาดง่ายๆหลังจากนั้นสิ่งที่อยู่ในใจระหว่างเรากับพวกเราล้ออันนี้เราก็ต้องพยายามสู้กับนับซูไปเรื่อยๆนะครับเพราะตอนละหมาดเนี่ยยิ่งก่อนละหมาดเราคุกคีกับดุลยาลึกแค่ไหนก็ตามไปละหมาดนี่เราแบกไปเกือบหมดนั่นแหละนั่นก็เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องต่อสู้กับนับซูต่อไปกลับมาในเรื่องของการละหมาดยามค่ําคืนครับผมนั้นตอนนี้เราพูดถึงละหมาดวิเตสซึ่งการละหมาดวิเตสละหมาดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ คำตอบก็คือเวลาละหมาดวิเตสนะครับเข้าเวลาตั้งแต่เมื่อเข้าเวลาละหมาดอีชาคือเมื่อเข้าเวลาละหมาดอีชาปุ๊บสามารถละหมาดเกียมุลเลนได้เลยตะฮัดยุดได้เลยแต่มีเงื่อนไขว่าต้องละหมาดอิชาก่อนเงื่อนไขนะครับจะวิเตสนะบางคนบอกว่ามันเข้าตั้งแต่อิชาแล้วฉันวิเตสก่อนแล้วก็อีชาที่หลังไม่ได้นะครับผมเพราะในทุกสายรายงานที่มีนะครับวงชี้ตรงกันก็คือวิเตสเนี่ยต้องอยู่ถ่าย ออท่านเ บ, บียร์มัสลัมได้พูดไว้ในมุคมคมุสลิมครับมันคอฟาอัลลยกูมมินอาิลลฟัลยูติร اه, วละูว่ามันตหมายอยกกูมาฟีอาิลลฟัลยูติรอาิลลฟอินนอาิลลมัชฮูดะิกอัฟดัล่าบีมสลัมได้พูดไว้นะครับในความหมายที่ว่าใครก็ตามที่กลัวว่าเขาจะไม่สามารถลุกมาละหมาดยามค่ำคืนได้ ใครก็ตามกลัวว่าเขาไม่สามารถลุกมาละหมาดยามค่ําคืนได้ก็จงละหมาดวิเตสก่อนเลยก็แปลว่าถ้าถึงเวลาละหมาดอิชาไปแล้วเรากลัวว่าจะละหมาดวิเตสไม่ไหวลุกมาทีหลังไม่ไหวละหมาดวิตเตสได้เลยละหมาดวิเตสได้เลยว่ามันต้อมาแต่ถ้าใครมีความปรารถนาอย่างจริงจังฮะนี่ใช้คําว่าจริงจังเลยนะมีความจริงจังเลยไม่ใช่แค่คิดว่าอยากเฉยๆอยากที่ว่าไม่เคยทํามานะครับ มีความปรารถนาอย่างจริงจังอย่างเข้มยวดกับตัวเองเลยว่าเราจะลุกมาละหมาดอีกทีหนึ่งจะตะฮัดยุตอีกทีอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของยองตอนกลางคืนสำนวนหะดีสก็คือใครมีความปรารถนาอย่างจริงจังว่าเขาจะมาละหมาดในช่วงสุดท้ายของกลางคืนก็ให้ไปรอวีเตสช่วงท้ายของกลางคืนเพราะละหมาดในช่วงท้ายของกลางคืนนั้นเป็นสักขีพยานและมันดีที่สุด อันนี้คือท่านนบีมูฮัมมัดสลลาะของอัลเลฮีมุสลามได้บอกเอาไว้มาชมูด่ะเป็นสักขีพยานมีผู้ที่มาเป็นสักขีพยานที่ว่ารับรู้เพราะฉะนั้นคือช่วงที่ดีที่สุดแต่ถ้าทําไม่ได้ท่านนบีก็พูดแต่แรกแล้วลว่าก็วีเตสติดเลยปิดไปเลยอย่างน้อยที่สุดคือโขให้ได้วีเตสขอให้ได้วีเตสซึ่งช่วงของการเข้าเวลาละหมาดเนี่ยครับก็ สัมวลมีหลายบทนะครับเอาติรูก็ปลานตุสบิฮูจหมดวิเตสก่อนที่มันจะเช้าหรืออะไรก็ตามแต่ความประเสริฐว่าช่วชงเวลาไหนเราก็ได้พูดไปแล้วทีนี้ครับละหมาดวิเตสละหมาดกี่ร็อกาครับละหมาดวิเตสในมนิเิคอยมามอบบูอายุบนะครับรย์ลลอนฮูนะครับท่านบิทาไว้ครับว่าการละหมาดวิเตสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงจังนะอัลวิตรุหักกุลเป็นเรื่องจริงจังนะฟมันอาฮับบาอายุติรบิมซิร็อกาสฟัลยฟัล ใครอยากจะละหมาดวิเทสห้ารักกาเขาก็จงทําไปแป๊วในรีส์บนี้บอกว่าเลยว่าได้ถึง5้ารักกาเลยอันนี้คือเฉพาะวิเทสนะครับไม่รวมตาหัหยุดคือถ้าเกิดตาหัดยุดเราบอกว่าแดบวกไป5้าก็หมายถึงสาหรับท่านที่ไหวนะก็เป็นสิบาไปหรือถ้ามากกว่านั้นแล้วแต่ครับผมเน้นครับท่านาบิยแสแนบอกนะครับว่า ในมิของท่านอับูยุบนะว่าอัลวิตรุฮักกุนว่ามันอาฮับบายุติเราบิข่อมสละการฟัลย์อัลว่ามัถ้าใครอยากจะละหมาดแค่สากละก็จงละหมาดไปและใครอยากจะละหมาดหนึ่งละก็ก็จงทำไปอันนี้อยู่ในสซยะของอิหมามนาซาีครับผมก็หมายความว่าละหมาดวิเตสเนี่ยอยู่ที่ความสามารถของเราเลยอยู่ที่ความอยากจะละหมาดเลยไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับให้เกิดความลาบากใจ เพราะบางทีช่วงโมเมน ต, ต์แต่ละช่วงโมเมนต์ของชีวิตเราไม่เหมือนกันใช่ไหมบางทีบางคืนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะละหมาดมากกว่านี้รู้สึกวันนี้ละหมาดแล้วมีความสุขรู้สึกว่ามีความสงบหรือบางทียังมีเลื่อดเครียดอยู่ยังอยากจะปรึกษาพุงละล้ออยู่บางทีละหมาดจะเยอะท่านบีก็บอกวิเตสก็ดึงไปเดยถึง5า้ารักะแต่บางทีแบบคืนนี้แขนขี้เกียจสุดแล้วฝืนละหมาดอิชานี่ก็สุดๆแล้วอ่ะละหมาดวิเตสปิดอีก1รกึ่งรักะท่านบีบอกก็อย่างน้อยก็1นึ่งรกักะก็อย่างดี ส่วนในกรณีของผู้ที่ละหมาด3ามรอกาสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคําถามที่ว่ามีการถามเยอะนะครับผมรวมประเด็นที่มีคนถามมาแล้วก็สรุปตอบทีเดียวในที่นี้นะครับผมละหมาดวิเตสเนี่ยถ้าเกิดละหมาด ร, รอกาเดียวมีปัญหายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดละหมาดสามรอกาส์เนี่ยละหมาดได้หลายรูปแบบแล้วแต่เลยหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่เลยก็คื อ, อประการแรกก็คือละหมาด2ก่อนให้สลามเสร็จแล้วก็มา1ทีเดียว รูปแบบนี้ก็ทำได้ตามตัวนหมือดรัทีละสองทีละสองทีละหรือถ้าเกิดเจ้าทีเดียวสรักอาเลยโดยนั่งตะชาฮุดครั้งสุดท้ายครั้งเดียวก็ได้หรือจะละหมาดเหมือนกับละหมาดมักริบก็ได้ทั้ง3รูปแบบครับบอหลงใจแหละอาลัม al สำหรับบางท่านที่อยากรู้ว่าแล้วในระหว่างวีเตชฉันควรจะอ่านอะไรดีท่านเองช้าบอกไว้นะครับว่าที่นางจาได้ จากการที่นาสังเกตท่านนบีมัสลล็อห์อิสลามเมื่อท่านนบีละหมาดบิเตส3ามรกกาตอนนั้นที่ท่านนบีอ่านที่ท่านหญิงจำได้ท่านหญิบอกว่ารักกาแรกเนี่ยท่านนบีอ่านซับบิฮิสมารบบิแกลฮอะไรซูลาะอัลอะละรักกาที่สองอ่านอัลกาฟิรูนสั้นๆครับบิเตสไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรกุลเยอไอยูฮัลเกฟิรูนส่วนรักกาสุดท้ายก็คงไม่ต้อง ไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมน่าจะเดากันออกนั่นก็คือซาระอัลอิคลาสนั่นเองก็คือคุณฮุลลอห์ฮุหะฮัดครับผมซึ่งในรากาสุดท้ายเนี่ยนอกจากคุณฮุลลอห์ฮุอะฮัดแล้วท่านบีบวกโมอาวิสตนบทที่ขอความคุ้มครองจากพวกลอฮ์ด้วยนั่นก็คือคุณอาอูตูเบรบินเนสกับคุณอาอูตูเบรบินฟะลัดครบ3ามคุณในรากาที่3สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับวิทยุมัลบิเตสสาหรับท่านที่ละหมาดสามรากา อ่านอะไรก็ได้พระในกุฎานโพราพอกะ ว, ว่าฟักกลูม่าแต่เอสตรอมินเวลาที่จะละหมาดเนี่ยอ่านอะไรก็ได้ที่มันง่ายสําหรับเราแต่ถ้าบางช่วงบางครั้งบางคราวเราบอกว่าอยากอ่านเหมือนกับที่ท่านบีอ่านอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าห้ามอ่านสุลาะอื่นนะบางคนบอกว่าเนี่ยถ้าอ่านสุลาะอื่นเนี่ยเข้าใครขีรลับสุนนะไม่หักแบบแตกต่างจากสุนนะไม่ใช่ครับสุนนะในที่คือสุนนะในความหมายสุนนะเลยท่านบีเคยทําอย่างนี้แต่ไม่ได้จำเพาะว่าต้องเป็นแค่สามสุลาะนี้ สําหรับท่านที่ว่าอยากจะบางครั้งอยากจะละหมาดแบบนี้บ้างก็คือรักการแรกซุราะละแอะรักการที่2องอัลกีรูนแล้วก็ให้สลามแล้วก็รักกาที่3เข้ามาละหมาดปุ๊บก็อ่านขุนหวัว ล, ลอก่อนอย่างนี้นก็กุนฟาลักแล้วก็ขุนนัสยงตามลําดับ1นึ่งหนึองหนึ่งแล้วก็ละหมาดไปแล้วก็ให้สลามครับผมทีนี้ครับในเรื่องของละหมาดวีเตสเนี่ยเช่นเดียวกับละหมาด ที่ว่ า, า, วมมาทุลเลหที่ว่าท่านอัลลห์มี่ว่าท่านับดุล้ที่ว่าท่านอับดุลเลห์ที่ว่ท่านอับดุลเลห์ที่ว่าท่านอับดุเห์ที่ว่าท่านอับดุลเลห์ที่ว่าท่อับดุมหที่ว่าท่านอับดุลเล์ที่ว่าท่นอับดุลเัหมีความเห็นพับ ด, ด, ด, ดุลเลห์ที่ทนน ว, ว่าทานับดุลเลห์ทีว่าท่านอับดุลเลห์ที่ว่าท่านอับดุลเลห์ที่ว่าท่านอับดุลเลห์ที่ว่า่านอับดุลเลห์ทีว่าท่ อ, อับดุลเลห์ที่ต่าท่านอับดุลเลห สามารถจะละหมาดวิเตสได้ในมือขยิมอับุดาวุครับท่านบิบุสัามกล่าวว่าไงครับมันนามาอันวิติหีเอานศสิยาหูฟัลยุสัลลิหีอิจาระการหูในมือขยิมอับดุดาวุฒิแ่มันอับดุลดาวุฒครับขอมาีในมอยอับดุดาวุฒท่านบิบุสัามกล่าวว่าใครก็ตามที่เขาหลับแล้วไม่ทันได้ละหมาดวิเตสมันน่ามาอันวิติหีใครก็ตามที่ว่าหลับยาวไม่ทันได้วเตส ตั้งใจจะตะฮัดยุตจะไม่ไตะฮัดยุตหรือใครก็ตามที่ลืมความหลงลืมมีกันทุกคนครับบางทีเอาะหมาดได้ยังบางทีไม่ละหมาดท่านนบีอัสสบอกว่าใครก็ตามที่หลับยาวไม่ได้ละหมัดวิเตสหรือใครที่ลืมละหมัดวิเตสเขาจงละหมาดเมื่อคิดได้เขาจงละหมาดเมื่อคิดได้ บางท่านอาจะบอกว่าฮะดิษนี้อาจจะจำเพาะตอนกลางคืนหรือเปล่าคือคิดได้ในยามกลางคืนยามเช้าเนี่ยละหมาดชดใช้ไม่ได้เนรุษขอยมมฮาเกิมครับอธิบายชัดเจนไม่ต้องตีความอีกเลยว่าเมื่อเช้าแล้วคนหนึ่งคนใดของพวกท่านยังไม่ละหมาดวีเตสเขาก็จงวีเตสซะก็แปลว่าเรื่องของละหมาดวีเตสครับเป็นสิ่งที่ว่าส่งเสริมส่งเสริมมากมากๆอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถึงขั้นว่ามื่อับมยมอบูฮานิฟ้าถึงกับ มองว่าละหมาดวีเตสนั้นเป็นวายิปก็คือถ้าทางภาคเหนือเราจะพบว่าส่วนใหญ่พี่น้องทางภาคเหนือนะครับแต่ละท่านมักจะถูกปลูกฝังมาว่าวีเตสห้ามทิ้งเด็ดขาดซึ่งก็ขอพระลอตอบแทนทั้งผู้ที่ปลูกฝังสิ่งที่ดีดแล้วก็ผู้ที่รักษาแบบอย่างที่ดีงามของท่านบีมัสรโลของอไรส์ลัมไว้นะครับผมอย่างประเด็นที่เราพูดคุยกันมาจนถึงตอนนี้นะครับผมเวลาก็กินเวลาพี่น้องไประดับหนึ่งเราเริ่มสายสายด้วยนิดหน่อยนะครับสรุปในตรงนี้นะครับว่า เรื่องของการละหมาดยามค่ําคืนแล้วก็ละหมาดวีเตสเป็นสิ่งที่ว่าอยากให้พวกเรารักษาให้ได้ไม่ใช่แค่ทำนะแต่รักษาเลยถ้ามันยังยากอ ย, กอยู่สําหรับพวกเราในการที่จะรักษาละหมาดเกียมุเลนหรือตะฮัดยุษอย่างน้อยที่สุดละหมาดวีเตสเริ่มจากง่ายๆก็คือวีเตสอย่างที่ผมบอกก็คือมีทางเลือก2ทางทางแรกคือพี่น้องละหมาดอิชาเสร็จวีเตสปิดเลยคือหลังจากที่สุดนะแล้วก็วีววเตสปิดเลย พี่น้องยังคิดว่าพี่น้องยังไม่สามารถไปไกลได้แต่ถ้าเกิดพี่น้องที่มั่นใจว่าลุกมาตะฮัดยุตได้ก็ง่ายที่สุดที่เสนอก็คือว่าตื่นการละหมาดฟาเจอรี่ง่ายๆก็ลุกมาวีเตสปะเด็นที่2ที่สรุปที่เราพูดคุยกันครับในเรื่องของละหมาดซุนนะแล้วก็ละหมาดวีเตสนะครับโดยเพาะวีเตสนะครับเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ผู้ที่คุกคีบกับอัลกุรอานผู้ที่ท่องจําอัลกุรอาน สมควรที่จะต้องทำมันมากกว่าคนทั่วไปสมควรที่จะต้องทามันมากกว่าคนทั่วไปเพราะกุรอานไม่มีทางจะรักษาได้ถ้าไม่ถูกใช้ต่อละหมาดอันนี้นลขาธิการมองเห็นค่อนข้างจะตรงกันนะครับว่าถ้าไม่ใช้อัลกุรอานในการละหมาดยากที่จะรักษาอาัลกุรอานได้ซึ่งก็เอามาใช้ในละหมาดวิเตสเอามาใช้ในการละหมาดยามค่าคืน ที่เราได้สรุปนะครับคุณลักษณะของบ่าวที่พวกอล ร, รักก็คือผู้ที่รักษาในเรื่องของการละหมาดยามค่ำคืนละหมาดพิเตสหลังจากที่เขารักษาวายิปต่างๆได้ต่อไปครับวิตเตสเนี่ยมีคุณลักษณะที่โดดเด่นมากเป็นพิเศษอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นชื่อของพวกอลเลยเพราะชื่อของพวกอลคืออัลวิเจอรูวิเตสเนี่ยแหละครับวิต พรางอัลลอฮ์ให้เรียกชื่อลมานี้เหมือนกับชื่อของพุ่งอัลลอฮ์เหมือนกับที่วุลลอฮ์ให้เรียกเครือญาติด้วยกับความว่ารอฮิมเครือญาติในภาษาอ раб ใช้คำว่ารอฮิมก็มาจากอารลอฮ์มานกับอัลอฮิมนี่แหละครับแปลว่าพุ่งอัลลอฮ์ให้ความสําคัญกับละมาดวีเตสมากถึงขั้นที่ว่าให้ใช้ชื่อเดียวกับพุ่งอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นชื่อเดียวกับพุ่งอัลลอฮ์หากอยากให้พุ่งอัลลอฮ์รักก็ต้องพยายามรักษา การละหมาดที่มีชื่อเดียวกับโพลล้อนี้เอาไว้ให้ได้ตลอดชีวิตของพวกเราและผมมั่นใจว่าพี่น้องจะไม่มีทางเสียใจทีหลังแน่นอนครับผมประเด็นเสริมครับก่อนที่จะจบกันในวันนี้นะครับเรื่องของละหมาดอาวาบีนก็เป็นอีกประเด็นที่มีการถามถ่ายกันมาเยอะเรื่องของละหมาดอาวาบีนครับสายแรงงานทั้งหมดที่ทพูดแล้วก็เจาะจงในเรื่องว่าชื่อละหมาดอาวาบีเลยเนี่ยนะครับที่ว่ามีทั้งหมด6กลอกแกร์ แล้วก็มีตัวบทที่เขาพูดกันว่าใครก็ตามที่ว่าละหมาดหลังมักริบ6กหรอกะโดยที่ว่าไม่มีการพูดอะไรกับคนอื่นเลยจะได้ผลบุญมากมายมหาศาลบางท่านก็บอกว่าเท่ากับการทําอีบาดั้นสิปีหรืออะไรก็ตามแต่สายรายงาน ท, งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดอยอีฟหมดเลยก็แปลว่าไม่มีการพูดถึงความประเสริฐอย่างนี้แต่สําหรับท่านที่ว่าหลังอีชาหลังมักริบขอมาหลังมักริบอยากจะละหมาดจนถึงอีชาสามารถกระทําได้ กี่รักกาศก็ได้จะแต่ทีว่าทีละ2องนะนะจะ6กรัก ก, กาศก็ได้8ก็ได้1ิบ ส, บ ส, บสเท่าไหร่ก็ได้ที่พี่น้องอยากจะทําเพราะว่าชุมพุธมีความเห็นพ้องว่ามันไม่ใช่เวลาต้องห้ามละหมาดไงเมื่อไม่ใช่เวลาต้องห้ามละหมาดแล้วก็มีสายราย ง, งานด้วยนะครับหลายบทด้วยที่ว่ารายงานว่าท่านอาบีมัสรำบางครั้งในท่านอบีละหมาดตั้งแต่หลังมักกลิบจนถึงเข้าเวลาอิชาเลยเนสายรายงานไม่ได้บอกว่ากี่รักกาศแต่ก็คือละหมาดเยอะเลย ก็แปลว่าหลังมัคคิบิักเราจะละหมาดซุนนะมันไม่เป็นเรื่องผิดทําได้เรื่อยๆเลยแต่ซุนนะที่ชื่อว่าอวาวาบินที่มีการระบุว่าความประเสริฐเท่านั้นเท่านี้เป็นเรื่องอินมุนเรฟถูกไหมครับการที่บอกว่าใครทําอะไรแล้วได้ผลบุญเท่าไหรนะ่เนี่ยเป็นอินมุนเรฟก็คือเป็นความรู้ที่มาจากพวกรรทเท่านั้นหากไม่มีตัวบทที่ชัดเจนที่ซาฮีชื่อถือได้บอกเราก็จะไม่เชื่อตามนั้นนี่คือจุดยืนของเราคือถ้าตัวบท บอกกว้างๆแล้วก็ทํากว้างๆก็คือตัวบทบอกว่าท่านนบีหลังละหมาดมักอิบท่านนบีก็ละหมาดไปเรื่อยๆยินยาวไปเลยอันนี้คือตัวบทกว้างๆที่มีก็แปลว่าใครที่ทํำทาได้แต่การที่จะมาบอกว่าได้ผลบุญเท่ากับอย่างนั้นเท่ากับอย่างนี้เมื่อไม่มีสายรายงานที่เซเนบอกแล้วก็บอกว่ามันมีสายรายงานเซเนบอกแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ใช่หมายความมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะฉะนั้นใครทําได้มีความสามารถ เต็มที่ไปเลยครับเน้นเรื่องของละหมาดอวาวาบีนก็อินชาลอซคิดว่าน่าจะชัดเจนนะครับผมนั้นสําหรับวันนี้นะครับเราน่าจะจบในส่วนของอายะแรกนะครับของสุรอะไล ล, ลู ก, ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ไม่อยากจะยืดเยื้อไปกว่านี้นะครับหวังว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์แล้วก็สาระเอ่อเท่าที่ความสามารถเล็กน้อยที่ผมพอจะมีนะครับก็ อัลกุรานพยายามรักษาแล้วก็ให้ความสําคัญนะครับขอบคุณแต่และท่านพี่น้องทุกท่านที่ว่าเข้ามาร่วมในวันนี้แล้วก็มีท่านที่ทักทายเข้ามาผมก็ขอทักทายสักเล็กสักน้อยนะครับท่านที่สละมาก็วายลีกุมุสาลาห์มูฮัมหตัดจุลละวะบะระแกตุนะครับผมแล้วก็อาจารย์ลาวุธที่รักนะครับแทบจะไม่เคยพลาดเลยนะครับก็ เข้ามาทักให้กำลังใจนะครับก็เจรจากรูมุลลาหุไครรันครับผมมีคนว่ามีขาเด็กน้อยด้วยก็อ่าครับวันนี้เด็กน้อยเข้ามาป่วนเยอะนิดนึงนะครับก็ถ้าไม่พอใจท่านใดก็ต้องขอมาฟด้วยนะครับผมแต่ก็หวังว่าจะมีบารักาที่ดีงามเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับทั้งในสิ่งที่เราได้รับทั้งในสิ่งที่เราขาดหายไปนะครับผมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับก็สำหรับท่านที่ขอบคุณมาเจรากรมุลลาคารันผมก็ขอตอบว่า วจจะซาคุมลอแคารันเช่นเดียวกันนะครับหวังว่าพวกองค์นั้นจะให้อัลกุรอานนั้นเป็นรับีย์กุรูบีนากุรูบีนาก็คือเป็นสิ่งที่ให้ความร่มลื่นชื่นฉ่ากับหัวใจของเราให้เป็นกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เย็นตาเย็นใจให้กับพวกเราแล้วก็ขอให้กุรอานนั้นเป็นทางนําให้กับพวกเราแล้วขอให้กุรอานนั้นได้ให้ชฝาแอบแก่พวกเราแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่กับพวกเราไปแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้พวกองค์รักเรา แล้วกเรา้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็รอดพ้นจากการลงโทษในไฟนรกด้วยเถิดครับผมอัลกุลกลีฮดาวสักุลลอฮลิวลคุมลิซัลมุสลิมนคุลิลบสลอินนฮวลฟูร์ซุบฮานะกัลลอฮมาว ه د لا ه إلا أنت أ ر و ك ا ت ل ي م ت ك و ب ر ك ا